15. บหปณรสมมวัคหนปัจจยตากถา14ึ่งริว่าด้วยความเป็นปัจจัย711ดรสกวาทีความเป็นปัจจัยมีจํากัดไว้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิมังสาเป็นเหตุและเป็นอธิบดีมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวิมังสาเป็นเหตุและเป็น อธิบดีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิมังสาเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอธิปฏิปัจจัยักวาทีฉันทาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหาชาติตรรธรรมมีใช่หรือปรวาทีใช่จักกวาทีหากฉันทาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหาชาติตธรรมดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่าฉันทาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปฏิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาติตปัจจัย712ดสกวาทีวิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติตธรรมไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากวิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติตธรรมดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า วิริยะทิปดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัยสกวาธีวิริยาธิปดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอินทรียไม่ใช่หรือประวาธีใช่สกวาธีหากวิริยาธิปดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอินทรียดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิริยาธิปดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย เป็นปัจใจโดยอินทรียปัจใจสกวาธีวิริยาทิปดีเป็นอธิปดีแห่งสห AH ชาติธรรมและเป็นองค์แห่งมรตไม่ใช่หรือปรวาธีใช่สกวาธีหากวิริยาทิปดีเป็นอธิปดีแห่งสห AH ชาติธรรมและเป็นองค์แห่งมรตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิริยธิปดีเป็นปัจัยโดยอธิปฏิปัจัย เป็นปัจจัยโดยมรคปัจจัย713ดรสกวาทีจิตตาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหาชาติตธรรมไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากจิตตาธิบดีเป็นอาทิบดีแห่งสหชาติตธรตรมดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตตาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปฏิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหาชาติตปัจจัย สักวาทีจิตตาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอาหารมรราีใช่หรือประวาทีใช่สักวาทีหากจิตตาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอาหารดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตตาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปฏิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยสักวาที จิตตาทิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติตธรรมและเป็นอินทรีย์มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากจิตตาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติตธรรมและเป็นอินทรีย์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตตาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปฏิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัย714 สกวาธีวิมังสาธิบดีเป็นอธิบด right? ีแห่งสหชาติตธรรมมิใช่หรือประวาทีใช่ักวาธีหากวิมังสาธิบ hmm ดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติตธรรมดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิมังสาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปฏิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาติตปัจจัยจักวาธีวิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอินทรีย์มิใช่หรือ ปรวาทีใช่สกวาทีหากวิมังสาธิบดีเป็นอธิปดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอินทรีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิมังสาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปฏิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียะปัจจัยสกวาทีวิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสาชาติธรรมและเป็นองค์แห่งมรตไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ ส ก, กวาธีหากวิมังสาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งสาชาติธรรมและเป็นองค์แห่งมรดกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิมังสาธิปดีเป็นปัจจัยโดยอธิปฏิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรคปัจจัย7จ็ส ก, กวาทีสภาวธรรมที่เป็นเครื่องพิจารณาทำอริยธรรมให้หนักแน่นแล้วเกิดขึ้นและทําอริยธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์มิใช่หรือ บระวาทีใช่สกวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นเครื่องพิจารณาทำอาริยธรรมให้หนักแน่นแล้วเกิดขึ้นและทำอาริยธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นเครื่องพิจารณาเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอารัมมณปัจจัยเจ็้สิบหกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลก่อน เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแกจะพาวธรรมที่เป็นกุศลหลังและสภาวธรรมที่เป็นกุศลนั้นเป็นอาเสวนามิใช่หรือประวาทีใช่ักวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแกจะพาวธรรมที่เป็นกุศลหลังและสภาวธรรมที่เป็นกุศลนั้นเป็นอาเสวนาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า สภาวธรรมที่เป็นกุศลก่อนเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวะนะปัจจัยสกวาที <competency> สภาวธรรมที่เป็นอกุศลก่อนเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกนะุศลหลังและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอาเสวะนะมามิใช่หรือประวาทีใช่สกาวาที หากสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก่อนๆเป็นปจัจจัยโดยอนันต ร, ประปัจจัยแก่สภาวธ ร, รรมที่เป็นอกุศลหลังและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอาเสวนาดังนั้นท่าน จ, จึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันต ร, ประปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวนาปัจจัยสักวาที สภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยกากิตรก่อนเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยการิตรหลังและสภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยากฤตนัน้นเป็นอาเสวณะมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยกากิตรก่อ น, อนเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย แกสภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยากลิธหลังๆและสภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยากลิธนั้นเป็นอาเสวนะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยากฤิธเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวนะปัจจัย717ประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความเป็นปัจจัยมีจำกัดไว้ใช่ไหม ักวาทีใช่ปรวาทีเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยก็ได้เป็นปัจจัยโดยอารัมณะปัจจัยก็ได้เป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยก็ได้เป็นปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยก็ได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าความเป็นปัจจัยมีจํากัดไว้ปัจจยตากถา สองัญยมัญญปัจจยกถาหนึว่าด้วยอัญยมัญญปัจจัย718แปสกวาทีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีแต่ท่านไม่ ย, ยอมรับว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีอวิชชาเกิดพร้อมกับสังขารไม่ใช่หรือประวาทีใช่ สกวาธีหากอวิชชาเกิดพร้อมกับสังขารดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีสกวาธีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีแต่ท่านไม่ยอมรับว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่ไหมประวาทีใช่ สักวาทีตันหาเกิดพร้อมกับอุปาทานมิเทหรือประวาทีใช่สักวาทีหากตันหาเกิดพร้อมกับอุปาทานดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตันหาจึงมี7จ็ประวาทีพระสูตรที่ว่าพิกษุร ท, ทั้งหลาย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 ตัณหาจึงมีสักว่าทีพระสูตรที่ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปจึงมีเพราะนามารูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สักว่าทีดังนั้นจึงควรยอมรับว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีอัญญมัญญะปัจจยกถาจบสอัฏฐากถาหนึ 7, ว่าด้วยการเจ็ดร้อสกวาทีการเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ สก ว, า, rumor, สกวาทีเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีการที่เป็นอดีตเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ testing, สกวาทีเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีการที่เป็นอนาคตเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเป็นเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการที่เป็นปัจจุบันเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีตใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีการที่เป็นอดีตมี5้าอย่างใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคตใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีการที่เป็นอนาคตมี5้าอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการที่เป็นปัจจุบันมีห้าอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีขันห้าที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีตขันห้าที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคตขันห้าที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมประวาทีใช่ศักาวาทีการมี15อย่างใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นศักาวาทีอายตนะสิบสองที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีต อายตนะ12ที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคตอายตนะสิบสองที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการมี36อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทาสิบแที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีตทาสิบแที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคต ๕๘ที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการมี54อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอินซี๒๒ที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีตอินซี๒๒ที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคตอินซี๒๒ที่เป็นปัจจุบัน เป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการมี66อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น721ดระปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าการเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมักวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า พิกสุตทั้งหลายคาถาวัตถุ3ประการนี้คาถาวัตถุสามประการอะไรบ้างคือ 1. ควรกล่าวถ้อยคําย้อนอดีตตะการว่าอดีตการได้มีมาแล้วอย่างนี้ 2. ควรกล่าวถ้อยคํามุ่งถึงอนาคตตการว่าอนาคตตการจะมีอย่างนี้ 3. ควรกล่าวถ้อยคําสืบเนื่องกับปัจจุบันการว่า ปัจจุบันการมีอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกถาวัตถุสามประการนี้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปราวาทีดังนั้นการจึงเป็นสภาวะสำเร็จแล้วอัธถากถ า, าจบสี่ขณะระยะมุหุตะตะกถาหนึ่งร้อยสี่สิบแปด ว่าด้วยคณะระยะและมุหุตตะ722ดสกวาทีคณะหนึ่งเป็นสภาวะสำเร็จแล้วระยะหนึ่งเป็นสภาวะสำเร็จแล้วมุหุตตะหนึ่งก็เป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีเป็นเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญาณใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น723ปรยาปรวาธีท่านไม่ยอมรับว่ามุหุตตะหนึ่งเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมสกวาธีใช่ปรวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายกระถาวัตถุสามประการนี้ ระถาวัตถุสามประการอะไรบ้างคือ 1. ควรกล่าวถ้อยคำย้อนอดีตการว่าอดีตการได้มีมาแล้วอย่างนี้ 2. ควรกล่าวถ้อยคำมุ่งถึงอนาคตการว่าอนาคตการจักมีอย่างนี้ 3. ควรกล่าวถ้อยคำสืบเนื่องกับปัจจุบันการว่าปัจจุบันการมีอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย กาถาวัตถุสามประการนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีดังนั้นขณะหนึ่งจึงเป็นสภาวะสำเร็จแล้วขณะระยะมุหุตตะกถาจบห้าอาสะวะกถา149ว่าด้วยอาสะวะ724 สกวาทีอาสวัตสไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีใช่ศักวาธีเป็นมักผลนิพพานโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลโพดชงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น7 25ดร้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอาสวะตสีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมศักวาที ปรวาทีอาสวะเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของอาสวะด้วยอาสวะเหล่าใดอาสวะเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นอาสวะตสีจึงไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะกถาจบ 6. ชรามรณะกถาหาว่าด้วยชรามรณะ เจ็ดสกวาทีชรามรณะแห่งโลกุตรธรรมเป็นโลกุตระใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเป็นมักผลนิพพานโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลโพชฌงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งโสดาปฏิมักเป็นโสดาปฏิมักใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งโสดาปติมักเป็นโสดาปติมักใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีชรามรณะแห่งโสดาปติผลเป็นโสดาปติผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งสกทาคามิมักสกทาคามิผล อนาคามิมกักอนาคามิผลชรามราณะแห่งอรหัตตมักเป็นอรหัตตมักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งอรหัตตผลเป็นอรหัตตผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชรามรณะแห่งอรหัตผลเป็นอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีชรามรณะแห่งสติปทานธรรมปทานอิทธิบาทตินทรีภละชรามรณะแห่งโพชฌงเป็นโพชฌงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น727ประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าชรามรณะแห่งโลกุตรธรรมเป็นโลกุตระใช่ไหมจักวาธีใช่ ปรวาทีเป็นโลกิยะใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นชรามรณะจึงเป็นโลกุตระชรามรณะกถาจบเจ็ดสัญญาเวทยิตะกถา151าว่าด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธทศมาบัตริ สกวาธีสัญญาเวทยิตานิโรธทศมาบัตเป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาธีเป็นมักผลนิพพานโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลโพดชงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดราปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสัญญาเวทยิตานิโรธทศมาบัติ เป็นโลกุตระใช่ไหมสกวาธีใช่ปรวาทีเป็นโลกียะใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นสัญญาเวทยิตานิโรธาสมาบัตจึงเป็นโลกุตระสัญญาเวทยิตากถาจบ 8. ทุติยสัญญาเวทยิตกถา 152ว่าด้วยสัญญาเวทยิตตนิโรธสมาบัติที่สองเจ็ดสกวาทีสัญญาเวทยิตตนิโรธสมาบัติเป็นโลกิยะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก му, วาทีเป็นกามาวจรใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, สก iau, simple, Road, วาทีเป็นรูปาวจรใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นอรูปาวจรใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น7 3็ดร้ปรวาที ท่านไม่ยอมรับว่าสัญญาเวทยิตานิโรธาสมาบัตเป็นโลกิยะใช่ไหมักวาทีใช่ปรวาทีเป็นโลกุตระใช่ไหมักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นสัญญาเวทยิตานิโรธาสมาบัตจึงเป็นโลกิยะทุติยสัญญาเวทยิตากถาจบ ๙ตติยะสัญญาเวทยิตกถา153ว่าด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธาสมาบัติที่3 7มเสกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธัสมาบัติอาจตายได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธัสมาบัติยังมีพัรษะ เวทนาสัญญาเจตนาจิตที่เกิดในขณะใกล้จะตายใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธัรรมาบัตไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่เกิดในขณะใกล้จะตายใช่ไหมประวาทีใช่ ักาวาทีหากบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่เกิดในขณะใกล้ตายท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติอาจตายได้ักาวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธัสมาบัติอาจตายได้ใช่ไหมปราวาทีใช่ักาวาที บุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธาสมาบัตดมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตใช่ไหมประวัติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธาสมาบัตดไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีบุคคลผู้ไม่มีผัสสะ ไม่มีเวทนาไม่มีจิตตายได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้มีผัสสะมีจิตตายได้มิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหาบุคคลผู้มีผัสสะมีจิตตายได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสธมาบัตดอาจตายได้ สกวาธีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธัรรมาบัตรอาจตายได้ใช่ไหมประวาทีใช่จักวาธียาพิษสตราไฟพึงกล้ำกลายเข้าไปในร่างกายของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธัรรมาบัตรได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธียาพิษ สัตราไฟไม่พึงกล้ำกลายเข้าไปในร่างกายของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธัสมาบัตได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีหากยาพิสัตราไฟไม่พึงกล้ำกลายเข้าไปในร่างกายของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธัสมาบัติได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธัสมาบัติ อาจตายได้ั ก, กวาธีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธอาจตายได้ใช่ไหมประวาทีใช่ักวาธียาพิษสัตราไฟพึงกล่อกลายเข้าไปในร่างกายของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธทรมาบัตได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีไม่ได้เข้านิโรธทศมาบัติได้ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ3ดร้ 33, ปรวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธาสมาบัติไม่อาจตายใช่ไหมักวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธาสมาบัติไม่อาจตายแน่นอนด้วยนิยามใดนิยามนั้นมีอยู่หรือสกวาทีไม่มี ประวาทีหากบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธาสมาบัติไม่อาจตายแน่นอนด้วยนิยามใดนิยามนั้นไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธาสมาบัติไม่อาจตายเจ็ดร้สกวาทีบุคคลผู้พร่งพร้อมด้วยจักูวิญญาณไม่อาจตายใช่ไหมประวาทีใช่ ักวาธีบุคคลผู้พรังพร้อมด้วยจักรูวิญญาณไม่อาจตายแน่นอนด้วยนิยามใดนิยามนั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาธีไม่มีักวาธีหากบุคคลผู้พรังพร้อมด้วยจักรูวิญญาณไม่อาจตายแน่นอนด้วยนิยามใดนิยามนั้นไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักรูวิญญาณไม่อาจตาย ตาตสัญญาเวทยิตกถาจบ1ิบอสัญญาัตรตูปิกากถา154ว่าด้วยสมาบัติที่เป็นเหตุให้เข้าถึงพบแห่งอสัญญาสัตว์735สิสกวาทีสัญญาเวทยิตนิโรธศสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงพบแห่งอสัญญาสัตว์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธทศมาบัตดยังมีกุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธทศมาบัตดไม่มีกุศลมูลคืออโลภะอโทสะไม่มีปัญญาใช่ไหม ประวาทีใช่ักวาทีหาบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธัสมาบัติไม่มีกูสลมูลคืออโรภะอโทสะอโมหะไม่มีศรัทธาปริยะสติสมาธิปัญญาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัญญาเวทยิตนิโรธัสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงพบแผงอสัญญาสัตว์ได้ักวาที สัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัตเป็นเหตุให้เข้าถึงพบแผงอสัญญาสัตว์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้เข้าถึงสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัตยังมีภาาัษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัต ไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่มีผัสสะมีการเจริญมักผู้ไม่มีจิตมีการเจริญมักได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้มีผัสสะมีการเจริญมักผู้มีจิตมีการเจริญมักได้มิใช่หรือปรวาทีใช่ ส ก, กวาธีหากบุคคลผู้มีภาษะมีการเจริญมักผู้มีจิตมีการเจริญมักได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตเป็นเหตุให้เข้าถึงพบแห่งอสัญญาสัตว์ได้ั ก, กวาทีสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตเป็นเหตุให้เข้าถึงพบแห่งอสัญญาสัตว์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ั ก, กวาที เราชนผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธัสมาบัติทั้งหมดนั้นเป็นผู้เข้าถึงพบแห่งอสัญญาสัตว์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ร้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสัญญาเวทยิตานิโรธัสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงพบแห่งอสัญญาสัตว์ได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ ปราวาทีบุคคลไม่มีสัญญาแม้ในโลกนี้ก็เป็นผู้ไม่มีสัญญาแม้ในพบแห่งอัจญรสัตว์นั้นมีใช่หรือสกวาทีใช่ปราวาทีหาบุคคลไม่มีสัญญาแม้ในโลกนี้ก็เป็นผู้ไม่มีสัญญาแม้ในพบแห่งอัจัญญยสัตว์นั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสัญญาเวทยิตานิโรธาสมาบัต เป็นเหตุให้เข้าถึงพบแผงอสัญญาสัตว์ได้อสัญญาสตูปิกากถาจบ 11. กรร ม, มูปัจจยากถา155าว่าด้วยกรรมที่สั่งสม 737. สกวาธีกรรมกับกรรมที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมประวาธีใช่ สักวาทีภัตสกับภัตสะที่สังสมเป็นโคนละอย่างกันเวทนากับเวทนาที่สังสมเป็นคนละอย่างกันสัญญากับสัญญาที่สังสมเป็นคนละอย่างกันเจตนากับเจตนาที่สังสมเป็นคนละอย่างกันจิตกับจิตที่สังสมเป็นโคนละอย่างกันศรัทธากับศรัทธาที่สังสมเป็นโคนละอย่างกันวิริยะกับวิริยะที่สังสมเป็นคนละอย่างกัน สติกับสติที่สังสมเป็นคนละอย่างกันสมาธิกับสมาธิที่สังสมเป็นคนละอย่างกันปัญญากับปัญญาที่ส e e ังสมเป็นคนละอย่างกันราคะกับราคะที่สังสมเป็นคนละอย่างกันอนุตตะปะกับอนุตตะปะที่สังสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น เจ็สา ก, กวาทีกรรมกับกรรมที่สังสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปราวาทีใช่ส ก, กวาทีกรรมที่สังสมเกิดพร้อมกับกรรมใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่สังสมเกิดพร้อมกับกรรมใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาที กรรมที่สังสมที่เกิดพร้อมกับกุศลกรรมเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีกรรมที่สังสมที่เกิดพร้อมกับกุศลกรรมเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่สังสม ท, มที่เกิดพร้อมกับกรรมซึ่งสำปรยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็สำปรยุทธ์ด้วยสุขเวทนาใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่สังสมที่เกิดพร้อมกับกรรมซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมัสุขเวทนาก็สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมัสุขเวทนาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น739สกวาทีกรรมที่สังสมเกิดพร้อมกับ ก, บกรรมใช่ไหมประวาทีใช่ ส ก, กวาทีกรรมที่สังสมที่เกิดพร้อมกับอกุสุลกรรมเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีทกรรมที่สังสมที่เกิดพร้อมกับอกุศลกรรมเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีกรรมที่สังสมที่เกิดพร้อมกับกรรมซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็สัมปยุตด้วยสุขเวทนาใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่ถังสมที่เกิดพร้อมกับกรรมซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมตสุขเวทนาก็าสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมตสุขเวทนาใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น740ดร้สกวาทีกรรมเกิดพร้อมกับจิตกรรมรับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปราวาทีใช่ สักวาทีกรรมที่ทังสมเกิดพร้อมกับจิตกรรมที่ทางสมรับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกรรมที่ทางสมเกิดพร้อมกับจิตกรรมที่ทางสมรับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีกรรมเกิดพร้อมกับจิตกรรมรับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมประวาทีไม่ ค, ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีกรรมเกิดพร้อมกับจิตเมื่อจิตแตกดับกรรมก็แตกสลายไปใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีกรรมที่สังสมเกิดพร้อมกับจิตเมื่อจิตแตกดับกรรมที่สังสมก็แตกสลายไปใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่สังสมเกิดพร้อมกับจิตเมื่อจิตแตกดับกรรมที่สังสมไม่แตก สลายไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมเกิดพร้อมกับจิตเมื่อจิตแตกดับกรรมไม่แตกสลายไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น741ดรสเกวาทีเมื่อกรรมมีอยู่กรรมที่สั่งสมก็มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมกับกรรมที่สั่งสมเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อกรมมีอยู่กรมที่สังสมเป็นแดนเกิดแห่งวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรมกับกรมที่สังสมเป็นอย่างเดียวกันวิบากกกามก็เป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อกรมมีอยู่กรรมที่สังสมเป็นแดนเกิดแห่งวิบาก วิบากรับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีกรรมที่ทังสมรับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกรรมที่ทังสมรับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีวิบากไม่มีอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น เจ็ดร้สกวาที ก, ก ร, รมกับกรรมที่จั่งสมเป็นคัวอย่างกันใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปุณณนะบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างปรุงแต่งวจจีสังขาร มนโนสังขารที Fig, ่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเขาครั้นปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างปรุงแต่งวจีสังขารมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างยอมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างภัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้างยอมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเขาถูกภาษาที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างกระทบเข้ายอมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างมีสุขและทุกข์รัคนกันเหมือนมนุษย์เทวดาบางพวกและมินิปาติกะ บางพวกปุณณนะเพราะกรรมที่มีดังนี้แลความเกิดขึ้นของสัตว์จึงมีได้สัตว์ย่อมเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ทำไว้พัสสย่อมถูกต้องสัตว์ผู้เกิดแล้วนั้นเรากล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลแห่งกรรมมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปราวาทีใช่ส ก, กวาทีดังนั้น ท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ากรรมกับกรรมที่สั่งตมเป็นคนละอย่างกันกรรมูปัจจยะกถาจบปัณรัสมาวัคจบรวมกถาที่มีในวักนี้คือ 1. ปัจจยะตากถาสองอัญญมัญญะปัจจยะกถา 3. าอัฏฐากถา 4. ขณะระยะมุหุดตกถา 5. อาสวัตถา6ชรามรณกถา7สัญญาเวทยิตกถา8ทุติยสัญญาเวทยิตกถา9ตติยาสัญญาเวทยิตกถา10อสัญญาศัตตูปิกากถาสิอกัมมูปัจยกถาตติยาปัญนา รวมวัคที่มีในตัดิยปัญญานี้คือวัคที่11เริ่มด้วยติดโสปิอนุสิยกถาวัคที่12บสเริ่มด้วยสังวโรกรรมติกถาวัคที่13เริ่มด้วยกัปปะกถาวัคที่14เริ่มด้วยกุจลากุจลปฏิสันทหันะกถาวัคที่15 เริ่มด้วยปัจจัยตากถา